การปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติการเจริญสติก็คือเอากายมาสร้างมาเป็นนมิตมาเป็นเครื่องหมายไม่ใช่คิดลู่คิดเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ความคิดลู่เรียกว่าคิดเห็นการสร้างการประกอบเรียกว่าพบเห็น ให้มันเป็นของที่พบเห็นจึงจะเป็นปัญญาถ้าคิดเห็นใครคิดเห็นก็ได้แต่ไม่จริงมันอยู่ไกลเกิดไปหาคำตอบจากความคิดเอาผิดเอาถูกกับความคิดไม่ถูกเสมอไปวิธีปฏิบัติจึงไม่ได้สอนให้คิดท่านจึงเรียกวิชานี้ว่าวิชากรรมฐาน วิชาแห่งการกระทำให้ทำเอาเราก็มีกายเรากายมาเป็นวัสดุประกณ์สร้างความรู้ให้มีความรู้อยู่กับกายมันเป็นของจริงกายก็มีอยู่จริงความรู้ก็มีอยู่จริงแต่ีบทที่เราสร้างรู้เป็นครั้งเป็นครั้งอย่าหลงพัดเข้าไปในความคิด บางทีความคิดมันก็ลูกก่อนถูกก่อนผิดก่อนบางทีมันมันพยายามที่จะหลอกเราจะไปเอาจะไปคิดลูกบางทีมันก็ลูกนะอย่างหลวงปู่เทียนสอนให้รู้จักรูปรู้จักตามท่านก็เอารูปมาให้ดูเป็นรูปอยู่ในหนังสือ อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือลูกน้ำมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันมีน้าไหมแล้วก็บอกว่าไม่มีน้าดับก้อนดินก้อนหินขึ้นมาอันนี้เป็นลูกหรือเป็นอะไรลูกก้อนดินมีน้าไหมมันไม่มีน้ำแต่เราคิดลูกไป้มืนกับลูก แล้วก็คิดลู่ก็ลู่ไปก็ปบอกเพื่อนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนจะเพืเ่อนปลความลู่จากความคิดหยุดหยุดยุดมันจะคิดลู่ไปต่างๆหน้าๆกลายเป็นจินตยานแล้วก็หยุดโอ้ไม่ไหวไม่ไหวมันลู่มากแล้วเนี่ยกลับมามาสร้างมาสร้างสติมาสร้า ง, าา ง, าางความลู่สึกตัวโอ้นี่ ไปเห็นเนี่ยกายที่มันเคลื่อนมันไหวไม่ใช่คิดเห็นไม่ใช่คิดรู้มันสัมผัสพลิกมือขึ้ น, นก็พลิกมือกิยาที่พลิกมือก็มีจริงๆริงรู้ก็รู้จริงๆริงรู้แล้วจริงๆริงรู้แล้วว่ามือเราตั้งไว้อยู่ยกมือขึ้นก็รู้แล้วว่ามือเรายกอยู่โอ้รู้เป็นขั้งเป็นขั้งไปกับรูปแบบสิบสี่จังหวะ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 มันเคลื่อนไหวคือเกิดจากความคิดเราก็ไม่ไปกับมันล้วก็กลับมาไม่คอยจ้องที่จะเมื่ อ, อไรไม่จะคิดเราจะได้รู้มันก็มนไม่ถูกเองล่ะความคิดไม่ต้องไปรอไปคอยไปหาไปจ้องว่าเราจะเฝ้าประตูคอกเป็ดคอกไปที่ที่ปิดเอาไว้ที่เปิดออกเดี๋ยวมันจะออกมาฮะนันก็ไม่ต้องไปคิดมันจะคิดขึ้นมาเองให้มันเห็นจั ง, จง เ, เ, ห เ, หห เ, เห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยถ้าเห็นจังๆเนี่ยมีประโยชน์มากมากอ่ถ้าครึ่งหลงครึ่งรู้จะไม่มีประโยชน์ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นแล้วยิ้มไว้ลึกๆอืมไงเรสจะว่ามันมันได้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 ลำดับล ำ, ๆๆลำๆๆนำการฝึกตนนี่ก็จับจับเงื่อนจับไขอะไรที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยพอหัดไปหัดไปบางครั้งบางคราวมันก็ทำให้เราฝึกหัดไปหลายๆอย่า ง, งการเจริญสตินี่ฝึกหัดากายกายก็ไป ม, มากมายหลายอย่างฝึกหัดจิต คิดก็มีมากมายหลายอย่างคอยจับลู่คอยจับลู่จับเห็นมันคอยดูที่มันจะแสดงออกมาบางอย่างมันแสดงออกมาก็ยากหน่อยเช่นความง่วงเราเหัวนอนบางทีเราก็ไปเกี่ยวกับความง่วงไม่เป็นก็ ก, ก็ยากหน่อยถ้าเราทำเป็นเกี่ยวข้องเป็นมันก็ไม่ยากความง่วงนะ ปมันเกิดขึ้นมาที่ไรเราก็เข็มแข็งตรงนั้นเข็มแข็งตรงนั้นอย่าให้ความม่วงมันครอบงำเราจะเลินตามองไปไกลๆมองท้องฟ้ามองก้อนเมฆมองทิศ ต, ต่างๆมองยอดไม้ทำความรู้สึกกลับมากาหนดมือเคลื่อนมือไหวทำความรู้สึกว่ามันเป็นกลางบัน ามความรู้สึกว่าไม่กลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางคืนจึงเป็นเวลานอนอดโต้มันไปโต้มันไปก้อมาสร้างสติยกมือสร้างจาังหวะมันยังง่วงอยู่ก็ลุกขึ้นด้วยความเยิ้มเย้มแจ่มใสไม่ใช่อ่อนเพลียเข้มเข้ม่งในความเข้มแข็งเห็นแล้วเห็นแล้ว ต น, นี่เป็นอาการในวรรธรรมเป็นภูเขานะพระพุทธเจ้าคงพบอาการเช่นนี้เกิดขึ้นกับพระองค์เหมือนกันจนพองเลยตัดว่าภูเขาโลกแรกอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุพลั ง, งความดีถีนามิทะภาษาบาลีแต่ว่าบ้านเราก็คือควา ม, มง่วงเราหนอนบางทีมันก็มีกลุ่มของเขาเป็นพลังที่จะทำให้เราพ่ายแพ้ได้ กุก ก, กุกดจอเดียความคิดเหมือนกับไก่เขียกุกกุกคือไก่ความคิดเหมือนกับไก่เขี ย, มมยะมันก็มาร่วมทางอีกทำให้เราหลงหรือบางทีก็เกิดพยาบาทลําดับขึ้นไปสิบปียี่สิบปีอาสาทะหรือสาทะกับเรื่องใด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 พยาบาทพวกนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็โล่โล่ครั่งที่หนึ่งอาจจะไม่ชัดเจนถ้าเราตั้งไม่ถูกมันเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเนี่ยมันจะเห็นชัดอย่างน้อยมันก็หลอกเราไม่ได้ถึงร้อยคลั่งกันโหนขวางวงเหงาหานอนเนี่ยแต่ถ้าเราทําไม่ไม่ทําให้แฉมแจ้ง ขณะที่อาการต่างๆเกิดขึ้นนอกจากการเจริญสติไม่ทําให้แฉมแจ้งแล้วก็หลอกเราไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดต้องทำให้แจ้งจึงจะมันก็หลอกไม่ได้มันกลั ว, ลวความแจ้งความหลงความมืดมันก็โจรผู้เล่ยมันกลัวความแจ้งมันชอบความมืดเพราะมันจะหลอก มันทำให้ง่วงมืดแล้วก็หลอกทํไปคิดติดมืดเต็มก็หลอกไปกลายเป็นตัวเป็นตนไปนกับอาการต่างๆอะไรกลายเป็นเรื่องยากปวดหลังปวดเดี่วก็ยากเอื้อมคิดก็ยากเกิดยานหอบเสือหอบกระเป๋ากับบ้านก็ไปอะไรก็ยากอะไรก็ง่ายไปถึงความยากไปถึงความง่ายเป็นแดนหนึ่งเหมือนกันนะสู้ไม่ได้เมื่อมันยากทีไรก็ เป็นเรื่องที่เรายากใชยแล้วแต่ถ้าเราเจริญสติจริงๆนะเห็นความยากเห็นความง่ายเห็นความสุขเห็นความทุกข์นี่สบายเลยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพ้ที่เจริญสติถูกทิศถูกทางต้องเกิดอาการเห็นบางทีทำตรงนี้ไม่ถูกต้องเวลามันทุกข์ก็ทุกเกันแหละ บอกว่าให้เห็นมันทุกข์ก็ยังเป็นผู้ทุกข์อยู่มันทุกข์ดูหน้าตาก็โกรเื่องตึงเครียดมันก็ไปเจอความทุกข์ความทุกข์ก็ครอบงำพิกลกนิดหน่อยพิกลกนิดเดียวก็กลายเป็นบรรลุธรรมตรงนั้นก็ได้เห็นความทุกข์ปโจจุบัน ท, ทุกข์ <c oughs> มันถูกหลอกทำให้เป็นทุกข์ ้เรามีสติจะเห็นว่ามันทุกข์เพราะว่าเห็นว่ามันทุกข์เนี่ยมันจะเกิดยานตรงนี้ได้เหมือนกันอย่างลู้เห็นทุกข์ไม่ใช่ของเลวสามเห็นทุกข์เป็นของดีอันเร็นสื่อเห็นของจริงอันเป็นสื่อเห็นทุกข์เน่ยแต่บางคนเนี่ยทำตรงนี้ไม่แก้งก็กลายเป็น ผลพูดทุกไปเลยทำความเพียรก็โดยความทุกข์ความยากความลําบากถือว่ายากไปเสียแล้วเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ยากนะทำความเพียรการเจริญเสถีไม่ได้ยากก็ออกมาเหนือความยากขี่คอบนความยากความยากไปถึงไหนแล้วก็ขี่คอมันความง่ายไปถึงไหนก็ขี่คอมันความทุกข์ไปถึงไหนก็ขี่คอบนความทุกข์ ถ้าเราดูนะมันไปไม่รอดถ้าเราเห็นนะ่ะถ้าเราไม่เห็นนะ่ะมันจะหลอกไปเรื่อยๆภาวะการเจริญสติเนี่ยหลักคืออริยบทเนี่ยมันช่วยเราได้สําหรับผู้ยังไม่มีอารมณ์กรรมาฐานเบื้องต้นอาศัยการเคลื่อนไวหวลําดับลำำํานํำถ้าผู้มีอารมณ์กรรมาฐานรู้จักปลุกรู้จกั ก, ก, จาก น, ำนาำนะ ก็บอกอยู่เนี่ยให้ดูอาการเห็นลูกเห็นอาการของลูกเห็นอาการของนาำแม้วางคนอาจจะไม่เห็นลูกเห็นน้ำก็ตามมันก็เห็นแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้เราเห็นลูกเห็นน้ำเรามีศีลเราไม่รู้เราไม่มีศีลแต่ศีลก็ช่วยเราอยู่เรายังไม่รู้เรามีศีลก็มีเหมือนกันจัิงจริงปฏิบัตทิทำกันไปมันไม่ถูกมันไม่ผิดหรอกถ้าเรามีสติเนี่ยจะแปลวาผิดจะแปลวาถูกมันเป็น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 ไปไหนมาเนตาเรามันคมพอดูปับก็โลดแล้วว่าเหมือนตาหลวงพ่อนะวันมาวันหมอปสาทรับมาพอเดินขับรถผ่านหน้าวัดก็มองเห็นต้นไม้โอ้แสดงว่าต้นไม้มันขาดน้าเนี่ยมันจบไปแล้วตามันคมเอต้นไม้มันขาดน้ำเราก็ต้องให้น้ำแต่ตามันคม การเจริญสติเนี่ยการเห็นบ่อยๆการเห็นบ่อยๆมันคมนะตาเห็นโลกเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นอาการต่างๆกาเห็นเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ไปเสียเวลาเห็นเวทนามันปวดมันเมื่อยก็เห็นอย่างถูกต้องแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่างถูกต้องแล้วเวทนามันก็เป็นอย่างนี้ บา น, นทีอาจจะขอบคุณเวทนาที่เขาแสดงออกมาถ้าถ้าสมมติถ้าร่างอยู่สองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เคลื่อนไหวยังไม่ได้เปลี่ยนอริบฏมันปวดหมือนก็เห็นเป็นเรื่องเบาๆถ้าเห็นแล้วนะเบาๆกลัวภาวะที่เป็นถ้าเป็นผู้ปวดด้วยจะต้องอดต้องทนไปอีกเพื่อนเขายังไม่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหรืออดเอาทนเอาเป็นผู้ปวดเป็นผู้เก็บเออมันก็เก็บมากขึ้น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 แต่บางแห่งที่เขาทำเน่ยใช่ทุกกะรบทนะบางทีก็นอนแข่งขันกันบางทีก็ยืนแข่งขันกันยืนเป็นครึ่งวันก็มีบางคนยืนสำนักวัดเท่าโคตร่ะอาจารย์ธรรมธโลนะยืนเป็นครึ่งวันก็มีกะรีบทวางอย่างไม่จำเป็น แต่ลู่สุดตัวขนาดที่เท้าเหยียบเดินลู่ยืนลู่ยืนลู่ยืนอไม่จําเป็นถึงเกิดไปยืนเดินขนาดดืนนานขนาดนั้นเราต้องขยันขยันลู่ไปบทที่ลู่ลู่เอาลู่เอาแบบนี้จังจะมากพลิกมือสิบสี่จังหวะลู่สิบสี่ครั้งแล้วแต่ไปยืนไม่ลู่จะนับตรงไหนลู่ลู่ลู่ มันไม่มันไม่มันไม่ออกตัวมันไม่ออกไปดูว่าจะอยู่กับการยืนนะวิธีที่เราทำจึงอาศัยอดีตบทเนี่ยเป็นการเจ็บเอาความรู้เป็นการเจ็บเอาความรู้ไม่รู้อะไรก็ตามให้มันขยันรู้ไปอย่างนี้ความรู้ที่เรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันไม่ใช่รู้แล้วแค่นี้นะมันก็ลกความช่วมันก็ทำความดีมันมีสติมันเป็นอย่างนั่นอยู่แล้ว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 ไม่มีตัวเมีตนอยู่ตรงนั้นไม่มีตัวเมีตนไปอยู่ตน้นไม่สําคัญมันหมายว่าเราเป็นสุ tomato, ขว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราคิดมากว่าเรากังวลว่าเราเครียดมันจะเสียเปรียบเพื like yeah. ่อนตรงนี้นะถ้าเราคิดก่อนว่าเราคิดไม่เหมือนเขาไม่ใช่แสดงว่าพลาดไปแล้วเราไปเชื่อก่อนโูกสิบตัวเนี่ยไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยถ้ามันเครียดเห็นมันเครียดไม่พลาด ถ้าเป็นผู้เครียดก็พลาดไปแล้วหยุดเสียแล้วถ้าเดินทางก็ก็หยุดไม่ได้เดินไปกับเพื่อนแล้วต้องถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีกถือว่าประมาทผู้ไม่ประมาทตื่นอยู่ในเพื่อผู้อื่นหลับหมายถึงว่าฉันสมมุติว่าเราเห็นเวทนาเนี่ยวางคนเนี่เป็นผู้ปวดเป็นผู้มื่อย คนนั่นหลับแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติเขาเห็นเวทนาเป็นสักวาเวทนาได้ แ, แสดงว่าตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนมาที่มีฝีเท่าดีละมมาที่ไม่มีกำลังแข่ด น, นั้นอะปามาอัตโตปมัตเตสุสัตเตสุภาชาคโลอภารัสสังวสีคัสโสยาติสุมเมธาโส แสดงว่าเราเราเดินไม่ทันเขาถ้าเราเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยถ้าเราเป็นผู้เครียดถ้าเราเป็นผู้ง่วงได้ว่าอัระมาตโตระมตัตเตสุมันก็เขาก็ไปไกลเสียแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นวันหนึ่งของเราอาจจะเป็นนาทีของเขาไปมัวแต่ไปสุขไปทุกข์มัวแต่ไปเป็นอะไรอยู่ใน กายในเวทนาในจิตในธรรมวันหนึ่งเราทําเขาอาจจะทาครึ่งชั่วโมงก็ได้มันจะคล่องตัวต่างกันตรงนี้ด้วยมันจะต่างกันตรงนี้มัวแต่หมกพุ่นค้นคิดแต่เาความคิดเกิดขึ้นไม่รู้จักมีสติไม่ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไป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 เปิดเนือ้อเปิดตัวแล้วมันจะเกิดขึ้นมามันเกิดมาเราจะดูมันอยู่นี่แห ล, ละเราในตาเนี่ยพ้าบ้านมนอาอะไรมันจะมาคนพ่อบ้านเนี่ยมันก็จะต้องเห็นสิ่งที่ขึ้นมาบนบ้านเห็นหมาเห็นไก่เห็นไก่ก็ได้ไล่ไล่ ไ, ลไก่เห็นหมาก็ได้ไล่หมา ไม่มีใครถ้าคนพ่อบ้านเห็นหมามาจิ้นข้าวสารมาต้องไล่หมาการไล่หมาไม่ให้จิ้นข้าวสารเป็นเรื่องดีเป็นความรับผิดชอบของคนพ่อบ้านเห็นไก่มันขึ้นมามันจะไปจิ้นข้าวสารมันเคยจิ้นข้าวสารก็ได้ไล่ไก่ไม่ให้จิ้นข้าวสารก็ว่าได้ทำในสิ่งที่บันดีของคนพ่อบ้าน ทำหน้าที่อย่างดีงเราสอนลกูกสอนหลานตัวเล็กๆทีหลานเราก็รู้จักไล่ไก่ไอทีแรกก็ไม่ได้มันไม่รู้จักไล่เราก็บอกกันไปไล่ไก่ไปไลไ่ไไลไมาหลานเราในน้อยไปไล่ไก่อไปมาไม่ต้องไปบอกกันก็ไปไล่หมาไล่ไก่ลงจากบ้านเองเออมันก็ทำเป็นการปฏิบัติทํามนี่การสอนตัวเองก็เหมือนกันทีแรกก็ ทาไม่ค่อยเป็นหรอกออเราไม่ค่อยเป็นบางทีเป็นนั่งจับไม่เรียวอยู่มันก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าไม่ได้สอนหมาเวลานั่งอยู่หมามันก็ไม่มาไม่ได้สอนมันเลยแต่เวลาเรานั่งอยู่ในที่เงียบๆหมา ม, มาแล้วได้ไล่มาเนี่ยเราได้ได้ฝึกตัวเราทั้งได้ไล่มหมาหมาเมื่อถูกไล่มันก็ ก็รู้เหมือนกันะความคิดความหลงความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันถูกรูกบ่อยๆมันก็ถูกสอนมันบ่อยๆมันก็อายเหมือนกันก็อายเหมือนกันนะความโกรธมันอายความหลงมันอายความทุกข์มันอายอายกว่าอันอื่นด้วยซ้าไปง่ายที่สุดแต่เราทำถูกง่ายง่ายบรา่มันก็หายเพบไปแล้วมันง่ายเรา แต่ชิดว่ามันยากอะไรการเราความชั่วเป็นเรื่องที่ง่ายการทำความดีเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ได้ออทนกระแสจนเหงื่อไหลคล้าย่อยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมรรคผลในผานก็ดีเหมือน เหมือนทะเลมันลุ่มลึกลงไปลึกลงไปเอียงลงไปลึกลงไปลูกลงไปมันง่ายนะเหมือนทะเลน้มทะเลมันเหมือนมันลึกลงไปลึกลงไปนิพพานเหมือนกับก้นทะเลมันเอียงลงไปแบบนั้นเอียงไปไหลไปสู่มกสู่ผลการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มันขึ้นฝั่งเปลี้ยนปายขึ้นหน้าผาไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่แบบด้านเด็ดขาดการปฏิบัติธรรมมันเอียงไปมันไหลไปสู่มื่ผลนิพพานความทุกข์เพื่อให้เกิดมากเกิดผลเมื่อเห็นความทุกข์เอาเอียงไปแล้วเอียงไปแล้วเมื่อเราไล่หมาหมามันก็ไม่มาอีกแล้วเมื่อเราถูกไล่ตัวเราเนี่ยจะสอนง่ายกว่าหมา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 บางทีเขามานั่งฉันชาวนั่นมีคนญี่ปุ่นไปนั่งทานอาหารที่นั่นด้วยยังเหม็นเม็นอยู่โอ้ยเป็นไงเนอะเดี๋ยวเราไปก็ไปนั่งรอยหมาก็เต็มไปหมดไปนั่งไม่ลอยหมาวนโตก็มีรอยหมาเราไปไล่ข้างที่หนึ่งเขาก็ยังไม่หนีดอกก็นอนอยู่ไล่ข้างที่สองเห็นที่ใดก็ไล่ทุกที่เห็นที่ใดก็ไล่ทุกที่แต่เนี่ก็ไม่นอนแล้วนะเอถ้าเราถ้าเราไม่สอดมันก็อยู่ตรงนั้นแล้ว ความหลงถ้าเราไม่สอนมันเราไม่รู้มันก็จะหลงมเป็นไอกรีนเราจะดีตอนที่เห็นมันหลงเนี่ยเราได้รู้ได้สอนมันเมื่นเราเดินไปสาราหน้าต้องมาดูโตตรงนั้นถ้าเห็นหมาก็ไม่ทำมันตื่นแล้วต้องไปไล่หมาก่อนไม่ให้มันฟรีหน้าที่ที่จะสอนหมาแล้วก็สอนมันได้แล้วแต่ก่อนนี่ตีละครหมามันหอนโอเออเออแล้ก็ทำไมอยู่สาราไก่นะ ลาเตีลักคังเนี่ยสละไก่มันมีลักคังอ้ทานน่ะในลาตีลักคังท่าไรหมาหอนแล้วพ่อเขาสอนหมาไล่มันบางทีก็ถือโอกาสเวลาเพื่อนตีลักครังแล้วพ่อก็ได้ก้อนอีกก้อนดินอะไรอะก็น้อยมาเพรมันหอนมากกว่าขั่วงมันมันก็เล็กดีเดี๋ยวนี้ไม่หอนนละตีข้องหอนกันสอนมันก็สอนได้นะแต่เราไม่สอนมันก็แซียวพวกมันกันะ ตีข้องก็หอนตีระครั้งก็หอนโอ้ปล่อยมันหอนอยู่นั่นเละต้องสอนมันไม่ต้องให้มันหอนเออก็สอนได้วางเทีตัวเราเนี่ยเหมือนกันมันมีอะไรเกิดขึ้นลูกมันเห็นมันอย่ากให้มันเอาไปกินฟรีอยาให้มันเอาไปกินฟรีๆความหลงเอาไปกินฟรีลอยนวลเหมอนเขาเขียนลูกไว้ที่วัดโมกผมก็จะขอเขอาบอกเออภาพนี้ชอบมากมาก เขาเขียนลูกหมาเขียนลูกหมานำลายไหลสุรุ่ยสุไล่เขาก็เขียนว่าอย่าปล่อยให้กิเลสเขาทำเป็นลูกหมากิเลสเขาทำเป็นลูกหมากิเสลิว้มันลื่นเหมืนไ่หูหเลตดตอสอรเรอร อ, อ, อนขาเหมือนตนัวมันลอยกิเลส สอเสือเนี่ยเป็นหางไปเลยเป็นรูปหมาเขาเขียนน่ะโอ้ชอบอย่าให้กินเลดกินเลดเขเขียนเป็นรูปหมาลอยนวลตัวหนังสือต่อไปอย่าปล่อยให้ตัวหนังสือนะกินเลดเป็นรูปหมาลอยนวล น, น่าซึ่งซึ่งใจที่จุดเลยลอยนวลจริงจริงกินเลดนั้นโกรธก็เอาไปกินฟรีฟรมันทุกข์ก็เอาไปกินฟรีฟรมันเศร้าหมองก็เอาไปกินฟรีฟร ทองรู้มันรู้มันรู้มันใดเย็นมะใดเยินเออกระพูดนให้ฟังเนาะเออกระพูดเล่นเล่นแบงนี่แหละเบาเบาสมองไม่ใช่คึงเคียดปฏิบัติธรรมยิ้มตลอดเวลาก็ได้นะที่มันตลอดเวลายกมือสร้างกัว่าโอ้มาทำดีเลยไปทุกทํทำไมไปยากทำไมแต่ไปนั่งสูบูรีนั่นเออ ตง่งนาบวบนาบึงโอ้ยอบบเอ๋บ่าเฮ้ยมันนั่งสูบบุห ร, รี่ทั้งมื้อเดี๋ยวว่ามันของชั่วร์มั้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ก็ไปยิ้มไม่ลยสูบบุหแทนที่จะด่าตัวเองไอ้ชาติหมาไม่สูบบุหรี่ขอเงินไปแล้วขอเงินยังดีกว่าเอาบุหรีม่มาคาบเสียแต่เงนินไม่ได้เสียสุขภาพอันนี้เราทําความเพียรเนี่ยยิ้มได้เลยไม่ต้องไปกลัวเลยถูกต้องแล้วอ่ะอ่ะ กับราพอมกัน